ขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังคะอัตตกถาพระสาดีบุตรมหาเถระชาวศีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องของการถือนิสัยข้อที่ยี่สิบสามต่อ ถึงเรื่องของการถือนิสัยนะว่าจะถือนิสัยอย่างไรปัญหากรรมว่าอย่างไรเป็นอันถือเอามีวินิจฉัยดังต่อไปนี้อันดับแรกที่สุผู้จะถืออุปชาในสำนักของอุปชาพึงกระทำท่าอุตราสงเฉวงบาไหว้เท้านั่งกระโยงประคองอัญชรีกล่าวอย่างนี้สามครั้งว่าอุปชาโยมพันเตโหหิ อุปชาโยเมผันเตโหหิอุปชาโยเมพันเตโหหิข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นอุปชาของผมเถิดครับเมื่อสัตทีวิหาริกล่าวอย่างนี้แล้วถ้าพระอุปชากล่าวว่าสาหุตีละละหุเบาใจได้แล้วว่าโอปาญิกังชอบแล้วว่าปฏิรูปังสมควรแล้วหรือว่า ปาสานิเกณะสัมปาเดหิตเธอจงสมบูรณ์ด้วยอาการที่น่าเดื่อมใส่เธอให้รู้ด้วยกายด้วยวาจาหรือว่าด้วยกายวาจาอุปชาเป็นอันสธิหาริกถือเอาแล้วนี่เป็นการถืออุปชาตอนที่อุปชากล่าวว่าสาหูหรือว่าปาสานิเกจะสัมปาเดหิตก็สาธุพันเตยีรคาราภยิรคาราภ จึงอยู่การใช้วาจาหรือว่าใช้การเคลื่อนไหวด้วยกายให้ทราบเนื้อความแห่งบทใดบทหนึ่งในห้าบทนี้ของพระอุปชานี้แหลเป็นการถืออุปชาในข้อว่าพึงถืออุปชานี้ฝ่ายแกจิอาจารย์บางพวกกล่าวไหมเอาคํำรับว่าสาธุคําของอาจารย์เหล่านั้นไม่เป็นประมาณเพราะว่าอุปชาย่อมเป็นอนานสัติวิหาริศถือเอาแล้ว ด้วยมาดว่าคำขอและคำให้คำรับไม่นับว่าเป็นองค์ในคำถืออุปชานี้ฝ่ายสถิติหาริกควรทราบแต่เพียงว่าอุปชาอันเราถือเอาแล้วด้วยบทนี้อย่างเดียวหาไม่ได้ควรทราบความนี้ด้วยคำว่าอัชะตะเกดานิเทโรไมหั่งพาโรอหัมปีเทรสะพาโร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเทระเป็นภาระของเราถึงเราก็เป็นภาระของพระเถระสมจริงดังพระดำรัสที่พระพวกมีพระภาเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายอุปชาจักตั้งจิตในสัิวิหาริทเพียงดังบุตรสัิวิหาริกจักตั้งจิตในอุปชาเพียงดังบิดาเมื่อเป็นเช่นนั้นอุปชาและสัิวิหาริทนั้นจักมีความเคารพยำเกรง กระพืดกลมเกลียวกันอยู่จากถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรในพระธรรมวินัยนี้ก็ให้ถือเสมือนกับว่าเป็นบิดาเป็นบุตรซึ่งกันและกันระหว่างอุปชากับสัตวิหาริษก็คือลูกติ์ของอุปชาเนจะต้องมีความรักกลงเกลียวกันเหมือนกับเป็นพ่อกับลูกเลยทีเดียวแม้ในการถือนิสัยในสำนักของอาจารย์มีวินิจฉัยอย่างนี้เหมือนกันแล แต่ในสำนักของอาจารย์นั้นมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้พิกตุผู้จะถือนิสัยในสำนักของอาจารย์พึงนั่งกระโยงกล่าวสามครั้งว่าอาจาริโยเมพันเตโหหิอายะสมโตนิสายะวัชามิอาจาริโยเมผันเตโหหิอายะสมโตนิสายะวัชามิอาจารยโยเมพันเตโหหิ อยะสมะโตนิสายะวัชามิข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นอาจารย์ของผมผมจัดอาศัยท่านอยู่ที่เหลือก็มีในดังกล่าวแล้วนั่นแหลก็คืออาจารย์ก็จะกล่าวนะว่าสาหูหรือว่าละหูหรือว่าโอปาญิกังปฏิรูปังหรือว่าปานิสานิเกจะสัมปาเดหิจะกล่าวว่าสาธุก็ได้ปัจจุบันนิยมกล่าวว่าสาธุพันเตดตว่าในที่นี้ท่านบอกว่าเกจิอาจารย์บอกว่า ต้องกล่าวว่าตาทุแต่ว่าคำนั้นไม่เป็นประมาณก็คือไม่ต้องกล่าวแต่ว่ากล่าวก็ไม่ผิดอะไรในปัญหากรรมว่าอย่างไรนิสัยเป็นอันระงรับแค่ไหนจึงจะเรียกว่านิสัยขาดอันนี้มีวิธีใช้ดังต่อไปนี้ก่อนอื่นพึงสร้างนิสัยระงับจากอุปชาด้วยอาการห้าอย่างนิสัยระงรับจากอาจารย์ด้วยอาการหกอย่าง สมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายนิสัยระงรับจากพระอุปชาห้าอย่างเหล่านี้คืออุปชาหลีไปหนึ่งหมายถึงว่าลีไปที่อื่นไม่ได้เอาลูกศิษย์ไปด้วยเทียงคืนเดียวก็ขาดเลยนะออกจากอุปชาระวัดไปก็ขาดละสึกเสียอุปชาสึกเสียหนึ่ง ถึงมรณภาพหนึ่งคือตายเข้ารีดเดรธีหนึ่งแล้วก็สั่งบังคับเป็นที่ห้าสั่งบังคับก็หมายถึงว่าปนานปนามก็ให้ขานิสัยไปเลยดูกรที่สุดทั้งหลายนิสัยระงรับจากอุปชาห้าอย่างนี้แหละดูกรที่สุดทั้งหลายนิสัยระงรับจากอาจารย์หกอย่างเหล่านี้คืออาจารย์หลีไปหนึ่งสึกเสียหนึ่งถึงมรณภาพหนึ่งเข้ารีดเดรธีหนึ่ง สั่งบังคับเป็นที่ห้าหนึ่งอันนี้เหมือนกับอุปชาเลยส่วนข้อที่หกต่างกันก็คือไปพบปาะอุปชาเข้าอันนี้อันที่หกดูก่อนที่สุดทั้งหลายนี้แต่ระงรับจากอาจารย์หกอย่างนี้แหลถ้าเกิดไปพบอุปชาเมื่อไหร่นิสัยที่ถือจากอาจารย์ก็ขาดแต่ว่านิสัยที่ถือกับอุปชาก็ต่อเหมือนเดิมในองค์เป็นเหตุระงรับนิสัยจากอุปชาและอาจารย์เป็นต้นมีวิธีฉัยดังต่อไปนี้ บทว่าปักกันโตคือไปสู่ทิศก็แลเมื่อท่านไปแล้วอย่างนั้นท่านในวิหารมีภิกษุผู้ให้นิสัยหรือแม้ในการอื่นตนเคยถือนิสัยในสำนักภิกษุใดหรือภิกษุใดมีสมโพคและบริโภคเป็นอย่างเดียวกันก็นนคือสามารถอยู่ร่วมบริโภคร่วมได้ไม่มีอบัตงเพราะว่าการบริโภคหรือว่าการสมโภคร่วมกับภิกษุทุศีลอันนี้จะมีอบัตงมีโทษ พึงเถือนิสัยในสำนักทิกตุนั้นแม้วันเดียวก็คุ้มอาบัตไม่ได้ถ้าทิกตุเช่นนั้นไม่มีทิกตุอื่นที่เป็นรักชีมีศีลเป็นที่รักมีอยู่เมื่อทราบว่าเธอเป็นรักชีมีศีลเป็นที่รักพึงข อ, อนิสัยในวันนั้นทีเดียวหมายถึงต้องมีคุณสมบัติที่ให้นิสัยได้ด้วยถ้าเธอให้การให้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีแต่ถ้าเธอถามว่าอุปชาของท่านจะกลับมาเร็วหรือ และหากอุปัชาได้พูดไว้อย่างนั้นพึงตอบว่าถูกพระขอรับและถ้าเธอกล่าวว่าถ้ากระนั้นจงคอยอุปชามาเธอจะรออุปัชากลับก็ควรเพราะว่าได้ข้ออ้างนะคือพุทธิจะให้นิสัยก็บอกว่าให้รออาจารย์ก็แล้วกันแต่ถ้าโดยปกติทราบไม่ได้ว่าเธอเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักพึงสังเกตจกักสี่ห้าวันถ้าจะถือนิสัยจาก อาจารย์องค์ไหนจะต้องดูซิสักสี่ห้าวันสามารถรู้ได้ว่าท่านเป็นผู้มีศีลมีกติกานธรรมแล้วก็ข อ, อนิสัยได้แต่ถ้าเกิดเห็นว่าท่าไม่ดีก็คือท่านไม่ค่อยเอื้อเฟื้อพระธรรมในในอันนี้ไม่ต้องถื อ, อนิสัยอันนี้ก็ไม่มีอบัติให้สังเกตสักสี่ห้าวันว่าพิจุนั้นจะเป็นสพาข้ากันหรือไม่แล้วให้เธอทําโอกาสถื อ, อนิสัยแต่ถ้าในวัดที่อยู่ไม่มีพิกจุผู้ให้นิสัย ทั้งอุปชาได้สั่งว่าฉันจับมาภายในสองสามวันพวกคุณอย่าทุรนทุรายใจเลยดังนี้จึงไปได้ความคุ้มอบัตก็คืออุปชาสั่งไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะมาสองสามวันนี้ไม่เป็นไรหลอกไม่ต้องเดือดร้อนอะไรอันนี้ก็ไม่เป็นอบัตจนกว่าท่านจะกลับมาถ้าแม้ชาวบ้านในที่นั้นเขานิมนต์ให้ท่านอยู่เกินกว่าเวลาที่กําหนดห้าวันหรือสิบวันอุปัชานั้นพึงส่งข่าวไปวัดที่อยู่ว่า พวกพิสูนุมอย่าทุรนทุรายใจเลยฉันจะกลับในวันโน้นแม้อย่างนี้ก็ได้ความคุ้มอาบัติก็ยังไม่เป็นอาบัตถึงแม้เลยห้าวันไปแล้วหกวันเจ็ด ว, วันแต่ว่าอาจารย์บอกว่ า, าจะกลับในวันที่สิบไม่ต้องทุรนทุรายไปอันนี้ก็ได้ความคุ้มอาบัติภายหลังเมื่ออุปชากําลังกลับมามีความติด ข, ขัดในระหว่างทางด้วยน้ําเต็นแม่น้ําหรือด้วยโจรเป็นต้นพระเถระคอยน้ําลดหรือหาเพื่อน ถ้าพวกพิกสุนหนุ่มทราบข่าวนั้นได้ความคุ้มอาบัตจนกว่าท่านจะกลับมาแม้มีเหตุจำเป็นระหว่างทางติดขัดน้ำท่วมหรือว่ามีโจรดักอยู่ระหว่างทางถ้าพิีส่สนหนุม่มได้ข่าวว่าพระเทรักงาลังมาแล้วอันนี้ก็ได้ความคุ้มอาบัตจนกว่าท่านจะกลับมาแต่ถ้าท่านตรงข่าวมาว่าฉันจะอยู่ในที่นี้แหละดังนี้คุ้มอาบัตไม่ได้แล้วก็ต้องไปถือนิสัยใหม่ จะได้นิสัยในที่ใดพึงไปในที่นั้นแต่เมื่ออุปชาศึกหรือว่ามรณภาพหรือว่าไปเข้ารีบเดียร์ีเสร็จแล้วแม้วันเดียวก็คุ้มอบัตไม่ได้จะได้นิสัยในที่ใดพึงไปในที่นั้นก็ไม่แน่นอนนะอุปชาก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันตก็สามารถที่จะศึกได้หรือว่าสามารถที่จะไปเข้ารีบเดียร์ีก็ได้ไม่แน่นอนถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็โอกาสเปลี่ยนศาสนาก็ยังมีได้ อันหนึ่งการประนามนิสัยท่านเรียกว่าอาณนาะคือสั่งบังคับก า, ารประนามมันหมายถึงว่าเป็นการทำนิติเตียนอย่างแรงเพราะเหตุนั้นเพียตุใดถูกอุปชาผลักออกด้วยประนามนิสัยโดยในพระบาลีนี้ว่าฉันประนามเธอหรือว่าอย่างเข้ามาณที่นี้หรือว่าจงขนบาดจีวรของเธอออกไปเตี้ยหรือว่าเธอไม่ต้องอุปถาฉันดอกดังนี้ก็ดี โดยในายพลจากบาลีเป็นต้นว่าเธออย่าบอกลาเข้าบ้านแต่ฉันเลยดังนี้ก็ดีแต่ว่าผู้ที่ถือหนิสัยจากอุปชาอาจารย์เวลาจะเข้าไปในแมก บ, บ้านนี้ก็ต้องบอกลาด้วยนะเทศกสู น, นั้นพึงขอให้อุปชาอดโทษถ้าท่านไม่ยอมอดโทษให้แต่แรกพึงยอมรับทันตกรรมแล้วขอให้ท่านอดโทษ ด, ด้วยตนเองสามครั้งก่อน ท่านยังไม่อดโทษก็ขออโหยวให้ผมด้วยครับเดี๋ยวผมจะทํำธนตกรรมผมจะขนฝายขนน้ําผมจะไอบีบนวดผมจะทําทุกอย่างขอให้อดโทษให้ผมได้เธอสามครั้งถ้าท่านยังไม่ยอมอดโทษให้พึงเชิญพระมหาเถระที่อยู่ในวัดนั้นให้ช่วยขอโทษแทนบางทีอาจจะเปลียนใจพระมหาเถระที่อยู่วัดเดียวกันก็ได้ถ้าท่านยังไม่ยอมอดโทษให้อีกพึงวานพิกษุทั้งหลายที่อยู่ในวัดใกล้เคียงให้ช่วยขอโทษแทน ก็ต้องเด็กขอให้พระพิตุที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่นับหน้าถือตาของพระอุปชาอาจารย์ของเราให้มาช่วยขอโทษถ้าถึงอย่างนั้นแล้วท่านก็ยังไม่ยอมอดโทษให้แสดงว่าไปทำผิดร้ายแรงอะไรต่างๆพึงไปที่อื่นแล้วอยู่ในสำนักของพิตุทั้งหลายผู้เป็นสหายของอุปชาด้วยคิดว่าแม้ฉไหนอุปชาได้ทราบว่าอยู่ในสานักของพิตรทั้งหลายผู้เป็นสภาค้ของเรา จะเพึงอดโทษให้บ้างถ้าถึงอย่างนั้นแล้วท่านก็ยังไม่ยอมอดโทษให้พึงอยู่ในที่นั้นเสียเถิดถ้าไม่อาจอยู่ในที่นั้นได้ด้วยโทษมีข้าวแพงเป็นต้นจะมายังวัดที่อยู่เดิมนั้นแล้วถือนิสัยอยู่ในตำนักภิกตุอื่นก็ควรอันนี้ก็วินิจฉัยในการสั่งบังคับเท่านี้นะก็คือการการะนามนิสัยี่หมายถึงว่าไม่ต้องมาถือนิสัยต่อกันแล้วประพฤติผิดไม่ถูกทานองครองทำอะไรต่าง แต่ น, นี้ก็ต้องดูนะว่าอุปชาเป็นคนที่เที่ยงธรรมมีอคติอะไรหรือเปล่าถ้าอุปชาไม่เที่ยงธรรมมีอคติอันนี้เราก็ไปขอนิสัยจากพิัวอื่นเพราะว่าท่านก็แสดงไว้แล้วว่าถ้าอุปชาเป็นผู้ทุศีนเป็นอารัจฉีอันนี้ก็ให้ทิ้งอุปชาไปได้ไปถือนิสัยกับพิัวอื่นผู้ที่มีคนสมบัติพอที่ให้นิสัยได้ บรรดาองค์หกซึ่งเป็นเหตุให้นิสัยระงรับจากอาจารย์ในองค์นี้คืออาจารย์หลีกไปเสียก็มีวิธีชัยว่าอาจารย์บางองค์บอกลาแล้วหลีกไปบางองค์ไม่บอกลาถึงอันเทวสิษฐ์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันบางครั้งก็ลาบางครั้งก็ไม่ลานะมีเหตุจําเป็นก็ไม่มีโอกาสจะลากันไปแล้วในอาจารย์และอันเทวสิษฐ์สองฝ่ายนั้นถ้าอันเวทวศิษฐ์บอกลาอาจารย์ว่าผมอยากไปที่นูน้นด้วยกรณียศกิจ เฉพาะบางอย่างขอรับแม่าอาจารย์ถามเธอว่าจะไปเมื่อไรจึงตอบว่าจะไปในเวลาเย็นหรือจักลุกขึ้นไปในกลางคืนเพราะอาจารย์อนุ ญ, ญาตว่าเออไปเถอะนิสัยก็ระงับทันทีเลยนะนยังไม่ทันออกจากวัดพออนุ ญ, ญาตมาไปเถอะนิสัยระงับเลยแต่ถ้าเมื่อเธอกล่าวว่าผมอยากไปที่โน้นขอรับอาจารย์ตอบว่าเธอเที่ยวบินธบา ท, ที่บ้านโน้นก่อนสิภายหลังจกรู้กัน และที่สูนั้นรับว่าครับถ้าเธอไปจากบ้านนั้นเป็นอันไปด้วยดีแต่ถ้าไม่ไปนิสัยไม่ระงรับเพราะว่ายังไม่ได้อนุญาตให้ไปบอกว่าภายหลังค่อยรู้เดี๋ยวเที่ยวบินทบาตก่อนพอบินทบาทแล้วพระวิสุทธก็ไปเลยอันนี้ก็นิสัยระงรับแต่ถ้ายังไม่ไปกลับมาที่วัดอีกอันนี้นิสัยก็ยังไม่ระงรับถ้าแม้เมื่ออันเทวสิกกล่าวว่าผมจะไปแต่อาจารย์สั่งว่าอย่าเพิ่งไปก่อน กลางคืนหาเรือกันแล้วจึงค่อยรู้ดังนี้ธรรมดาแล้วผู้ที่ถือนิสัยอยู่เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ควรจะให้ไปไหนง่ายๆเพราะว่าไปแล้วจะเกิดโทษอะไรต่างๆก็ไม่รู้ถ้าไม่เจอเรื่องจําเป็นสําคัญอะไรก็ไม่ควรที่จะอนุญาตให้ไปเพราะว่าแป็นผู้ที่ยังต้องถือ น, นิสัยยังต้องศึกษายังไม่รู้เหตุรู้ผลเพราะทำวินัยทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะไม่ปล่อยไปยง่ายๆมันก็บอกว่าเดี๋ยวหาเรือกันก่อนแล้วค่อยรู้ครั้นหาเรือกันแล้วจึงไป เป็นอันไปด้วยดีถ้าไม่ไปนิสัยก็ไม่ระงับมีความจําเป็นมากคุณพ่อคุณแม่ป่วยกระทันหันต้องรีบไปเอายาไปให้หรือว่าจะไปเยียวยาไปแสดงคำอะไรต่างๆเพื่อกูลปิดามารดาอาจารย์ก็ไปด้วยไม่ได้นิทุระพอไปนิสั ย, ยระงับแต่ก็หารือกันแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ไปก็นิสัยก็ไม่ระงับแม้บอกว่าจะไป แต่สําหรับอันเตวศิกผู้ไม่บอกลาอาจารย์ก่อนไปนิสัยระงรับในเวลาล่วงอุปจาระศีมาไปไม่ได้บอกลาเลยเพราะว่ามีกิจรีบสำคัญมากรีบไปอย่างด่วนพอเลยอุปจาระสีมาไปก็นิสัยระนับาจาระศีมาก็ขวางก้อนดิน1ึงเล่ธุบาหนึ่งนะจากวิหารสลังสุดท้ายนะ เมื่อกลับเสียภายในอุปจาระศรีมานิสัยยังไม่รังับก็ถ้าอาจารย์บอกลาอันเตวสิษ์ว่าฉันจะไปที่นู้นนะคุณและเมื่ออันเทวสิษฐถามว่าจะไปเมื่อไรขอรับก็ตอบว่าเวลาเย็นหรือว่าตอนกลางคืนพออันเตวสิษ์รับว่าดีแล้วขอรับนิสัยก็รังับทันทีเหมือนกันเพราะว่าบอกกล่าวกันแล้วรับรู้กันแล้ว แต่ถ้าอาจารย์บอกว่าพรุ่งนี้ฉันจัดเที่ยวบินตบานแล้วเลยไปไฟอันเตวสิกรับว่าดีแล้วนิสัยยังไม่ระงรับก่อนตลอดวันหนึ่งต่อวันรุ่งขึ้นจึงระงรับถ้าบอกว่าเดี๋ยวเที่ยวบินตบานแล้วค่อยเลยไปเมื่อเที่ยวบินตบานแล้วก็ไปนิสัยก็ระงรับอาจารย์บอกว่าฉันจะไปบินตบาน ท, ที่บ้านนู้นแล้วจึงจะรู้ว่าจะไปหรือไม่ไปเดี๋ยวค่อยตัดสินกันใหม่ฉันแล้วค่อยว่ากัน ถ้าไม่ไปนิสัยไม่ระงรับแต่ถ้าไปก็นิสัยระนับถ้าแม้เมื่ออาจารย์บอกว่าจะไปและถูกอันเตวสิตรงไว้ว่าอย่าเพิ่งไปก่อนกลางคืนหาเรือกันแล้วจึง่อ่ทราบแม้หาเรือกันแล้วไม่ไปนิสัยก็ไม่ระงรับถ้าอันเตวสิตรและอาจารย์ทั้งสองต่างออกนอกสีมาไปด้วยการณยาียจิตบางยามลำดับนั้นถ้าเมื่อจิตคิดจะไปเกิดขึ้น อาจารย์ไม่ทันบอกลางไปเสียแล้วกลับแต่เพียงในสองเรตุบาทนิสัยไม่ระงรับอันนี้เอาสองเรตุบาทสองเรตุบาทนี้จากที่ไม่มีรั้วร้อถ้ามีรั้วรอมก็เรตุบาทหนึ่งถ้าล่วงสองเลตุบาทออกไปแล้วจึงกลับนิสัยย่อมระงรับถึงแม้จะกลับมาแต่ว่าออกจากอุปจารสีมาของวัดไปแล้วแล้วก็กลับเข้ามาก็นิสัยระงรับก็มาขอนิสัยใหม่ อาจารย์และอุปชาอยู่ในวัดที่อยู่อื่นล่วงสองเลตุบาทออกไปนิสัยระนับเมื่ออาจารย์ลาติขามรณภาพไปเข้ารีดเสียนิสัยก็ระับทันทีจะเป็นอาจารย์ก็ตามอุปชาก็ตามอยู่วัดที่อยู่อื่นล่วงสองเลตุบาทไปนิสัยก็ระงับเหมือนกันส่วนในการสั่งบังคับก็คือประนามมีวิธีชัยว่า ถ้าแม้อาจารย์เป็นผู้มีความปรารถนาจะสลับจริงๆจึงผลักออกเสียด้วยประนามนิสัยแต่อันเทวสิทธิ์ยังเป็นผู้ถืออาลัยอยู่ว่าอาจารย์ประนามเราเสียก็จริงแต่ว่าท่านยังเป็นผู้อ่อนโยนด้วยน้ำใจดังนี้นิสัยยังไม่ระงรับถ้าแม้อาจารย์มีอาลัยแต่อันเทวสิทธิ์หมดอาลัยทอดทุระว่าคราวนี้เราจับไม่อาศัยอาจารย์นี้อยู่แม้อย่างนั้นนิสัยย่อม ไม่ระงับก็คือนิสัยยังไม่ระงับถ้านยังมีอะไรฝ่ายใดฝ่าหนึ่งอยู่และด้ข้อที่ทั้งสองฝ่ายยังมีอาลัยนิสัยย่อมไม่ระงับแท้ในเมื่อทั้งสองฝ่ายทอดทุระนิสัยจึงระงับอาจารย์ก็บอกว่าไม่เอาแล้ไม่ให้ลูกศิษย์คนนี้ถือนิสัยแล้วลูกศิษย์ก็บอกว่าไม่เอาและไม่ถือนิสัยอาจารย์ผู้นี้แล้วต่างคนก็ต่างไม่มีอะไรต่อกันนิสัยเป็อนอันระงับอันเตวสิทธิ์ผู้ถูกประนาม ควรยอมรับทันตกรรมแล้วขอให้อาจารย์อดโทษสามครั้งถ้าท่านไม่อดโทษให้พึงปฏิบัติโดยในที่กล่าวแล้วในอุปชาก็คือต้องไปขอให้พรามหาเถรรัมาช่วยอดโทษให้หรือว่าไปขอให้พระเถรรัตน์ในวัดอื่นที่เป็นที่เกยงใจของพระอาจารย์ของอุปชาเนมาขอให้อดโทษให้แต่เป็นอาบัตทุกกฎแก่อาจารย์และอุปชาผู้ประนามอันเทวสิก หรือสัจจิวิหาริศผู้บำเพ็ญอาจารยวัดและอุปชัยวัตรตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบัญญัติไว้แล้วผู้ประกอบด้วยองค์ห้ามีความเป็นผู้มีความรักอย่างยิ่งเป็นต้นเป็นอบัตทุ ก, กฎเหมือนกันก็คือถ้าลูกศิษย์ประพฤติวัดอย่างดีแล้วมีข้อวัดต่างๆอย่างสมบูรณ์แล้วยังประนามอีกก็เป็นอบัตทุกกฎแก่อุปชาหรือว่าอาจารย์แม้แต่อาจารย์และอุปชาผู้ไม่ประนามอันเทวสิษ หรือสัตว์วิหาริกที่ไม่ประพฤติชอบเป็นต้นนอกนี้ก็คือถ้าอันเติวสิกสัตววิหาริกนี่ไม่ประพฤติชอบแล้วไม่ประนามก็มีอับัติอีกนะสมจริงดังพระดํารัตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปวา่าดูก่อนที่ศุภทั้งหลายสัติวิหาริกและอันเติวสิทธิผู้ประพฤติชอบอาจารย์และอุปชาไม่พึงประนามรูปใดประนามรูปนั้นต้องอับัตทุกกฎ และดูก่อนที่สุดทั้งหลายสาติวิหาริษและอันเทวาสิทธผู้ประพฤติไม่ชอบอาจารย์และอุปชาจะไม่ประนามไม่ได้รูปใดไม่ประนามรูปนั้นต้องอาบัติทุกกฎประนามโดยไม่เที่ยงธรรมก็มีอาบัตหรือว่าลูกศิษย์กระพฤติไม่ดีไม่ประนามก็มีอาบัตเหมือนกันดูก่อนที่สุดทั้งหลายอาจารย์ผู้ไม่ประนามอันเทวาสิทธผู้ประกอบด้วยองค์ห้ามีโทษ เมื่อประนามไม่มีโทษคือหาความรักอย่างยิ่งในอาจารย์มิได้หนึ่งหาความเลื่อมใสอย่างยิ่งมิได้หนึ่งหาความละอายอย่างยิ่งมิได้หนึ่งหาความเคารพอย่างยิ่งมิได้หนึ่งหาเมตตาภาณาต่อกันอย่างยิ่งมิได้หนึ่งดูกรที่สุดทั้งหลายอาจารย์เป็นผู้ไม่ประนามอันเทวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์ห้าหล่านี้แลมีโทษเมื่อประนามไม่มีโทษเพราะฉะนั้น ลูกศิษย์ก็จะต้องมีความรักอย่างยิ่งในอาจารย์ก็ต้องมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในอาจารย์ต้องมีความละอายอย่างยิ่งในอาจารย์มีความเคารพอย่างยิ่งในอาจารย์รยาารยแล้วก็ต้องเจริญเมตตาในอาจารย์อย่างยิ่งด้วยนะถ้าไม่ประพฤติห้าอย่างนี้อาจารย์ต้องประนามแต่ก็ต้องดูคุณสมบัติ ข, ของอาจารย์ด้วยนะดูก่อนที่สุดทั้งหลายอุปัชฌาย์ไม่ประนามสัธิวิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ห้ามีโทษ เมื่อประนามไม่มีโทษก็คือหาความรักอย่างยิ่งในอุปชามีได้หนึ่งหาความเลื่อมใสยอย่างยิ่งม่ได้หนึ่งหาความละอายอย่างยิ่งม่ได้หนึ่งหาความเคารพอย่างยิ่งม่ได้หนึ่งหาเมตตาโทนาต่อกันมีได้หนึ่งดูกนพิจุทั้งหลายอุปชาไม่ประนามสัตถ์วิหาริกผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลมีโทษเมื่อไม่ประนามไม่มีโทษดังนี้เป็นต้น สำหรับอุปชาก็คือผู้ที่จะให้คนบวชบวชผู้ที่มาบวชกับอุปชาจะเรียกว่าสัตว์ทิวิหาริกก็คือเป็นลูกศิษย์ของอุปชาอุปชาแปลว่าเป็นผู้ที่คอยเพ่งโทษน้อยโทษใหญ่ให้สัตว์ิวิหาริกนั้นไม่ประพฤติผิดไม่ประพฤติไม่ชอบธรรมส่วนสัตธิวิหาริกก็แปลว่าผู้อยู่ร่วมอยู่ร่วมในคําสอนจากเบชาเนี่ยคําสอนของพระพุทธเจ้าส่วนอาจารย์อาจารย์ก็หมายถึงผู้ที่ คอยแนะนําก็คือยังจริยะถึงความประพฤติต่างๆทางกายวาจาของลูกศิษย์ให้ดีให้ถูกต้องส่วนอ e ันเทวสิษย์ก็หมายถึงว่าผู้อยู่ภายในภายในคําสอนนั่นแหละคําสอนก็ตามไตรสิกขาคําสอนตามที่พระพุทธเจ้าทร ง, สงสแสดงแต่ว่าอาศัยอาจารย์อย่างเราเป็นผู้ที่แนะนําเพราะฉะนั้นก็หมายถึงเป็นลูกศิษย์ทั้งคู่คืออุปชาก็มีลูกศิษย์เรียกว่าสาัตยุทธาเิกแต่ว่าบวชให้เอง อาจารย์ก็มีลูกศิษย์เรียกว่าอันเตวางศิษย์ไม่ได้บวชให้นะแต่ว่ามาถือนิสัยในบรรดาบทเหล่านั้นข้อว่าหาความรักอย่างยิ่งไม่ได้มีความว่าไม่มีเคหะสิตเตเปมัหมายถึงความรักฉันบุตรอย่างยิ่งในอุปชาข้อว่าหาเมตตาภาวนาต่อกันไม่ได้มีความว่าไม่มีเมตตาภาวนามีประมาณยิ่งก็คือไม่เจริญเมตตากันบ้างเลย เกหาสิตาเตมะเป็นความรักโดยอาศัยเรือนแต่ว่าในที่นี้ก็บอกว่าเป็นความรักที่เหมือนกับบิดาคือบุตรเนี่ยรักบิดาชั้นใดก็ควรจะมีความรักในอุปชาเหมือนกับบุตรรักบิดาอย่างนั้นในข้อทึงว่าหรือถึงความพบปะกับอุปัชานี้นี่หมายถึงการที่นิสัยระงรับของอาจารย์เพราะว่าอาจารย์มีแสระงรับหกอย่างข้อสุดท้ายก็คือ ถ้าลูกศิษย์เนี่ยไปพบปะกับอุปชาเข้านิสัยจากอาจารย์ก็ระงับพึงทราบการพบปะการเรื่มนาได้เห็นและได้ยินก็ถ้าสัตจิวิหาริกอาศัยอาจารย์อยู่เห็นอุปชาไหว้พระเจดีย์อยู่ในวัดที่อยู่เดียวกันหรือเที่ยวบินตาอยู่ในบ้านเดียวกันนิสัยย่อมระงับความนิสัยรงับหลังจากที่จากอุปชามาแล้วก็ต้องไปครนิสัยกับอาจารย์ใหม่ อุปชาเห็นแต่สัติวิหาริกไม่เห็นนิสัยไม่ระงับเพราะฉะนั้นอยู่ที่สัติวิหาริกนะว่าสัติวิหาริกที่อาศัยอาจารย์อยู่ต้องเห็นอุปชานิสัยจึงระงับแต่ถ้าไม่เห็นนี่ไม่ระงับแม้ว่าอุปชาจะเห็นสัติวิหาริกก็ตามสัติวิหาริกเห็นอุปชาเดินทางไปหรือไปทางอากาศทราบว่าเป็นพิจูแต่ไกลแต่ไม่ทราบว่าเป็นอุปชานิสัยก็ยังไม่ระงับ ท้าทราบว่าเป็นอุปชานิสัยระนับอุปชาอยู่บนปร า, าสาทสาตว์ทีิหาริกอยู่ข้างล่างแต่ไม่ทันเห็นท่านดื่มยาคูแล้วหลีกไปหรือไม่ทันเห็นท่านนั่งฉันที่หอฉันณส่วนข้างหนึ่งแล้วหลีกไปหรือไม่ทันเห็นท่านแม้นั่งในบนดกที่ฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็หลีกไปนิสัยไม่ระนับปึงทราบการพบปะการด้วยอำนาจการเห็นก่อนด้วยประการชนิเพราะฉะนั้นต้องเห็น ลูกติดคือสัตวทธิหาริกต้องเห็นอุปชานิสัยจากอาจารย์จึงจะระนับส่วนการพบปะการเรื่มนาฏการได้ยินพึงทราบดังนี้ถ้าเมื่ออุปชาก่าวทาอยู่คือทำอนุโมทนาอยู่ในวัดที่อยู่ก็ดีในละแวกบ้านก็ดีสัทีวิหาริกได้ยินเสียงแล้วจำได้ว่าเสียงอุปชาของเรานิสัยก็ระนับเมื่อไม่ได้ยินเสียงนิสัยไม่ระนับ ไ, ได้ใชในการพบปะกับอุปชาเท่านี้ก่อนนิสัยระ ง, งับหรือไม่ระ ง, งับอันนี้ก็ต้องมาพิจารณานะว่าได้เห็นหรือว่าได้ยินเสียงของอุปชาได้เห็นอุปชาหรือเปล่าถ้าเห็นหรือว่าได้ยินนิสัยเป็นการะ ง, งับถ้าไม่เห็นหรือว่าไม่ได้ยินก็ไม่ระ ง, งับที่หมายถึงไม่ได้ถือนิสัยจับอุปชาแล้วแต่ถือนิสัยกับปัญหาแต่ว่ามาพบอุปชาในภายหลังก็ในปัญหากรรมนี้ว่าใครจะต้องถือนิสัยอยู่ใครไม่ต้องถือนิสัย นี้มีวินัยฉาดังต่อไปนี้ภิกษุผู้ไม่ฉลาดภิกษุนั้นต้องอยู่ถือนิสัยตลอดทีเดียวเพราะมีพระบาลีว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถถือนิสัยอยู่ตลอดห้าพันษาภิกษุผู้ไม่ฉลาดถือนิสัยอยู่ตลอดชีวิตดังนี้ทำไมฉลาด ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอาบัติอนาบัติอาบัติเบาอาบัติหนักในตานี้ก็ให้ถือนิสัยเป็นตลอดชีวิตเลยนะถ้าพิกษุผู้ไม่ฉลาดนี้จะไม่ได้อาจารย์ที่แก่กว่าไซส์เธอจะเป็นผู้มีพรรษาหกสิบหรือมีพรรษาเจ็ดิโดยอุปสมบทก็ตามเธอพึงนั่งกระโยงประคองอัญชลีถือนิสัยในสำนังของพิษุแม้อ่อนกว่าแต่เป็นผู้ฉลาดกล่าวสามครั้งอย่างนี้ว่า อาจริโยเมอาวุโสโหหิอายาัสมโตนิสายวัชามิอาจริโยเมอาวุโสโหโโหิอาญาสมโตนิสายวัชามิอาจริ โ, โยเมอาวุโสโหหิอาญาสมโตนิสายวัชามิผู้มีอายุขอท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจาักอาศัยท่านอยู่ดังนี้ ตรงนี้ก็แสดงนะว่าพระพันสามากนี่สามารถประคองอัญชิีต่อพระพัรษาน้อยกว่าได้ไม่ชื่อว่าเป็นการไหว้เลยนะนี้มีพระบัญญัติให้ก็ไม่กระจายแต่ปกติแล้วไม่ควรไหว้พระพัรษาน้อยแม้กระทั่งประคองอัญชิีนี้ก็ไม่ควรถ้าไม่มีกิจอย่างนี้แต่อันนี้ก็จะขอให้เป็นผู้ให้นิสัยเพราะฉะนั้นก็ประคองอัญชิีได้ ต่อไปที่ตุผู้แก่นั้นแม้เมื่อจะลาเข้าบ้านพึงนั่งกระโยบประกองอัญชลีกล่าวอย่างนี้ว่าคามัพเปเวสนังอาปุจฉามิอาจริยะข้าแต่ท่านอาจารย์ผมขอลาเข้าบ้านในการอําลาทุกอย่างก็ในนี้ตัวติแล้วพระที่ยังต้องถือนิสัยอยู่เวลาที่จะเข้าบ้านในเวลาวิการนี้ต้องบอกลาอาจารย์หรือว่าบอกลาอุบาชานจึงสามารถได้เข้าบ้านได้ ถึงแม้พ้นนิสัยแล้วในเวลาวิการจะเข้าในแวกบ้านก็ต้องบอกลาพระพิสุที่มีอยู่ถ้าไม่บอกลานีก็ต้องมีอ ბ ัตปาจิตตีเข้าบ้านในเวลาวิการไม่บอกนามพิสุที่มีอยู่เอ ბ ัตปาจิตตีก็พิกสุใดเป็นผู้ฉลาดมีปภาษาห้าโดยอุปสมบทพิกสุนั้นไม่ต้องถือนิสัยอยู่ก็ควรเพราะฉะนั้นพิกสุผู้นิสัยมุจจนกกนมีภาษาห้าโดยอุปสมบท พึงกระทำ ม, มาติการทั้งสองให้ช่ำชองมาติการทั้งสองก็ได้แก่อะไรได้แก่ปาติโมกข์ของพิจุแล้วก็ของพิกษณีนั่นแหละให้ช่ำชองคล่องปาโดยกําหนดอย่างต่ำป่าเขาทั้งหมดพึงเรียนพานาวานก็หมายถึงช่วงในการที่กล่าวทำพานาวาลเนี่ยพานาวาลสี่จากสุตตันตพิดกเพื่อประโยชน์แก่ธรรมะสวัสในวันปักทั้งหลาย พึงเรียนคาถามรรคอันหนึง่งเช่นกับอันธกะวินทะสูตรมหาราหุโรวาทสูตรและอัมพัททะสูตรเพื่อประโยชน์แก่การกล่าวธรรมะเด็ดเกล็ดแก่บริษัทที่ประชุมกันพึงเรียนคาถาอนุโมทนาสามอย่างเพื่อประโยชน์อนุโมทนาในสังฆพัสงานมงคลและอวะมงคลพึงเรียนวิจิไฉกรรมและมิชัยกรรมเพื่ออุโบสถและประวรนาเป็นต้น พึงเรียนกรรมฐานอย่างหนึ่งมีพระอรหันตเป็นที่สุดด้วยสามารถแห่งสมาธิก็ดีด้วยสามารถแห่งวิปัสสนาก็าดีเพื่อกระ ท, านะทําสมณธรรมพระฉนะจะพ้ น, นิสัยก็ต้องเจริญกรรมฐานได้ด้วยพึงเรียนพระพุทธพจน์มีพระสูตรสี่พานวานเป็นต้นเพียงเท่านี้แท้จริงด้วยการเรียนเพียงเท่านี้ทิศสุตนี้ย่อมชื่อว่าเป็นทะหูสูตเป็นผู้ปรากฏในทิศทั้งสี่ ย่อมได้เพื่ออยู่โดยความเป็นอิสระของตนในที่แห่งใดแห่งหนึ่งก็พระจารัดใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่ามีทั้งหมดห้าปัญจกะเป็นคุณสมบัติของที่สู่ผู้ที่ไม่ต้องถือนิสัยกับผู้ที่ต้องถือนิสัยมาดูผู้ที่จะต้องถือนิสัยก่อนก็คือปัญจกะที่หนึ่ง ดูก่อนพิกูจ ท, ทั้งหลายพิสูจผู้ประกอบด้วยองค์ห้าจะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้คือไม่ประกอบด้วยกองศีลอันเป็นของพระอเสขะหนึ่งไม่ประกอบด้วยกองสมาธิอันเป็นของพระอเสขะหนึ่งไม่ประกอบด้วยกองปัญญาอันเป็นของพระอเสขะหนึ่งไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติอันเป็นของอเสขะหนึ่งไม่ประกอบด้วยกองวิมุตติญาณทัศนะอันเป็นของอเสขะหนึ่งดูก่อนพิกูจนทั้งหลายพิสูจผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แล จะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้ตกลงก็เลยใครไม่ได้เป็นพระอรหันต์นี้ก็ต้องถือนิสัยหมดอันนี้ก็เป็นเพียงเครื่องเทียบว่าเมื่ อ, อยังไม่บรรลุเป็นพระอระหันต์ธรรมขันธ์ห้าเหล่านี้นี่ที่เป็นของพระเสขะนี่หมายถึงเป็นของพระอรหันต์หมดเลยเมื่อยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมก็คือธรรมขันธ์ห้าเหล่านี้ก็ต้องถือนิสัยแต่ว่าก็หมายถึงควรถือนิสัยจะไม่ถือก็ได้ถ้ามีคุณสมบัติเพียงพอในข้ออื่น ปัจจุบที่สองดูก่อนพิสูจทั้งหลายที่สู่ผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีกจะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้คือเป็นผู้ไม่มีศรัทธาหนึ่งเป็นผู้ไม่มีหิริหนึ่งเป็นผู้ไม่มีโอตตะปะหนึ่งเป็นผู้เกียจคร้านหนึ่งเป็นผู้มีสติหลงลืมหนึ่งดูก่อนพิสูจทั้งหลายที่สู่ผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลจะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้ถ้าใครเป็นคนที่มีศรัทธาอ่อนหรือไม่มีศรัทธา ฮิริโอตตะก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเอาขารล่วงศีลได้มากเป็นผู้เกียจคร้านด้วยแล้วก็มีสติหลงลืมอันนี้ก็ต้องถือนิสัยผู้ที่เป็นอาจารย์ก็จะได้บอกกล่าวจะได้แนะนำให้เจริญขึ้นด้วยปัญจ ก, กัดที่สามดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่ถูกผู้ประกอบในองค์ห้าแม้อื่นอีกจะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้คือเป็นผู้มีศีลวิบัติในอธิศีนึง เป็นผู้มีอาจารย์ร่วิบัติในอาชาจาร์หนึ่งเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิหนึ่งเป็นผู้มีสุตะน้อยหนึ่งเป็นผู้มีปัญญาสามหนึ่งดูการพิสูจน์ทั้งหลายพระเยซูผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลจะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้ปัจจิตาที่หนึ่งก็เหมือนกับองค์ของผู้ที่ไม่ควรให้ถือนิสัยเหมือนกันส่วนปั จ, จกิตาที่สองเหมือนกับบทที่สามบทที่สามของ พิสูจน์ผู้ที่ไม่ควรให้นิสัยอ่ะส่วนปัญจการที่สามเหมือนกับองค์ของผู้ไม่ควรให้ถือนิสัยแต่ว่าเป็นหมวดที่สี่ส่วนปัญจการที่สี่ดูการพิสูจนทั้งหลายพยิถูกผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีกจะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้คือไม่รู้จักอาบัตหนึ่งไม่รู้จักอนาบัตหนึ่งไม่รู้จักอาบัตเบาหนึ่งไม่รู้จักอาบัตหนักหนึ่งเธอจําปาฏิโมกข์ทั้งสองไม่ได้ดีโดยพิสดาร จำแนกไม่ได้ด้วยดีไม่คล่องแคล่วดีวินิจฉัยไม่เรียบร้อยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะหนึ่งดูกรที่สุดทั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แหลจะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกับองค์ของผู้ที่ไม่ควรให้ถือนิสัยหมวดที่เจ็ดส่วนปัญจกัดที่ห้าดูกรที่สุดทั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีกจะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้คือ ไม่รู้จักอาบัตหนึ่งไม่รู้จักอนาบัตหนึ่งไม่รู้จักอาบัตเบาหนึ่งไม่รู้จักอาบัตหนักหนึ่งแล้วก็มีพรรษาหย่อนห้าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบที่องห้านี้แหลจะไม่ถือนิสัยอยู่ไม่ได้ปัจจกาที่ห้านี้ก็คล้ายกันกับหมวดที่แปดหมวดที่แปดขององค์ของผู้ที่ไม่ควรให้ถือนิสัยนะแต่ว่าต่างกันใน บทที่ห้าหรือว่าข้อที่ห้าเพราะว่าบทที่ห้านี้ของผู้ที่ไม่ควรให้ผู้อื่นถือนิสัยหมายถึงว่ามีภรษาหย่อนสิบแต่ว่าผู้ที่จะต้องถือนิสัยเนี่ยข้อสุดท้ายก็คือมีรรษาหย่อนห้าต้องถือนิสัยถ้าเกินห้าไปแล้วเกินห้าไปแล้วถ้าฉลาดมีปัญญาถึงจะไม่ต้องถือนิสัยแต่ถ้าเกิดเกินห้าภาษาไปแล้วแต่ว่ายังโง่เขลาไม่รู้จักอาบาัตอนาบาัตอะไรต่างๆนี่ก็ต้องถือนิสัยเหมือนกัน แม้ในบรรดาปัจจกาเหล่านี้พึงทราบว่าพระผู้มิพรภาเจ้าประทําการห้ามด้วยสามมาแห่งความเป็นผู้ไม่สมควรและด้วยสามารถแห่งองค์ของอาบัตตามในก่อนนั่นแหลก็คือในปัจจกาที่สามปัญจกะที่สามก็หมายถึงเป็นผู้วิบัติในอธิศีลในอัจชาจาร์แล้วก็ในทิฏฐิเป็นผู้มีสุตตะน้อยมีปัญญาสามห้าข้อเนี่ยสองข้อหลังเป็นองค์ของอาบัต ก็คือมีสตาน้อยกับมีปัญญาชาาแล้วก็ไม่ถือนิสัยนี่ก็เป็นอบัตส่วนปัญจกะที่สี่ที่ห้าทุกองค์เป็นอาบัตหมดเลยก็คือไม่รู้จักอาบัตอนาบัตไม่รู้วอาบัตเบาอาบัตหนักแล้วก็ไม่ได้ปัดโมทั้งสองนี่เป็นปัญจกะที่สี่ปัญจกะที่ห้าก็ไม่รู้จักอาบัตอนาบัตไม่รู้จักอบัตเบาอาบัตหนักแล้วก็มีภรษาย่อนห้านี้ก็เป็นอาบัติทุกองค์ ส่วนอาจารย์ไม่พึงให้อนุญาตแกอันเตวสิกและสัจิหาิทิ์ที่เป็นผู้โง่ไม่ฉลาดที่จะหลีกไปสู่ทิศถ้าให้อนุญาตอาจารย์และอุปชาเป็นอบัตทุกกฎก็คือสัจิหริทิ์อันเตวสิกลูกศิษย์เนี่ยเป็นคนโง่เขลาไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ธรรมวินัยอะไรต่างๆแต่ว่าจะขอหลีกไปสู่ทิศอาจารย์อุปชาไม่อนุญาตถ้าอนุญาตมีอบัตทุกกฎ แต่ว่าถ้าเขามีเหตุสําคัญก็คืออยู่กับอุปชาอาจารย์แล้วอุปชาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนไม่ได้สั่งอะไรไม่ได้แนะนํนากรรมฐานอะไรให้เจริญขึ้นเขาจะขอไปเรียนกับอาจารย์อื่นถ้าขอแล้วสามครั้งอุปชาอาจารย์ไม่ให้ไปเพราะว่ามีอคติลูกศิษย์ก็สามารถไปได้เลยนะไม่มีอบัติถ้าอันเทวสิษย์แนละสัตว์ทิหาฤิษ์เหล่านั้นอาจารย์และอุปชาไม่อนุญาตยังขืนไปอยู่ แม้อันเตวานสิทธและสาธิวิหาริปเหล่านั้นก็เป็นอบัตทุกกฎถ้าอุปชาอาจารย์ไม่อนุญาตได้ยางฝืนไปะไม่มีเหตุสําคัญอะไรแล้วก็อุปชาอาจารย์จะยังแนะนํายังให้เรียนสังสอนอะไรต่านี้ยังฝืนไปก็เป็นอบัตทุกกฎสมจริงดังพระดํารักที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็อพิสูจเป็นอันมากในศาสนานี้เป็นคนโง่ไม่ฉลาดพระสงค์จะดตไปตุทิศ ย่อมลาอาจารย์และอุปชาดูก่อนพิสูจทั้งหลายอาจารย์และอุปชาพึงถามอันเตวสิกและสัตถิวิหาริกนั้นว่าเธอจักไปไหนเธอจักไปกับใครดูก่อนพิสูจทั้งหลายถ้าพวกอันเตวสิกและสัตถิวิหาริกเหล่านั้นเป็นผู้โง่ไม่ฉลาดอ้างพิกษุผู้โง่ไม่ฉลาดเหล่าอื่นดูก่อนพิกษุทั้งหลายอาจารย์และอุปชาไม่พึงอนุญาตถ้าอนุญาตต้องอาบัตทุกกฏ ดูก่อิสิกนุทั้งหลายและพิสูจเหล่านั้นผู้เป็นพาลไม่ชลาอาจารย์และอุปชาไม่อนุญาตหากยังคืนไปอยู่ก็ต้องอาปทุกกฎดังนี้กระถาไม่ิด้เฉยเรื่องการถือนิสัยในบาลีมุตตะวินยะวินิชไฉสังหะจบก็จะมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์กับอุปชาจริงๆเ น, นะของกัมมิษุของสมมณเณรที่จะต้อง ถือนิสัยแล้วก็ประพฤติตามคําสอนซึ่งพันุ์ก็จะสอนจากคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเอาไว้ในดาวพระต่ยบินอกนี้แหละก็ประพฤติตามบูชาอาจารย์เหล่านั้นก็รักสมัครสมานกันให้เหมือนกับดีดามารดาเหมือนพ่อกับลูกแต่ก็จะมีอาจารย์ภายในตัวเราเหมือนกันซึ่งบางครั้งเขาก็เป็นอาจารย์บางครั้งเขาก็เป็นลูกศิษย์เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ภายในตัวเราเขาสั่งสอนแนะนําให้ทําความชั่วหรือว่าเป็นลูกศิษย์ให้น้อมตามประพฤติความชั่วตาม อันนี้ก็ต้องเนรเทศหรือว่าต้องทําลายอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์เหล่านี้ก็คือกิเลสตัณหาบางครั้งเขาก็เป็นอาจารย์บางครั้งเขาก็เป็นลูกศิษย์เขาแนะนําเขาสั่งสอนเขาคอยตา ม, มต่างๆขอยเราทั้งหลายศึกษาในใจพิถาอบรมเจริญสติปัญญาอินทรีห้าโพธิปัญญาธรรมสิเจ็ดประการก็เพื่อิจ่จะละอาจารย์และลูกศิษย์อันเลวทรามภายในตัวของเราเสียเป็นผู้ที่มีอิสระเป็นเสรีบุคคลเป็นเสรีชน โดยการประพฤติเสรีธรรมก็หมายถึงพอที่ปักยึดธรรมสัจประการจนกระทั่งเป็นอิสระอยู่เหนืออำนาจของกิเลสทั้งหลายแล้วก็หลุดพ้นบรรลุลงตรธรรมโดยทั่วกันในการไม่เนินช้าไม่เทินสาธุสาธุสาธุ